พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายนสอง7ห้าห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าอุปนิสัยในชาติที่แล้ว วันนี้เป็นวันที่สิบสี่พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบสองเมื่อเช้าเราก็ทำกิจกรรมทำบุญทำทานแต่เย็นนี้เราก็ได้มารวม รวมกันร่วมกันไห ว, ว้พระสวดมนต์ต่อนี้ไปจะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนายกถาหรือ ว, ว่ากล่าวเรื่องราวที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ตามที่จริง เ, เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว มีหลายแง่มุม8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ถึงจะพูดไปแล้วพวกเราก็ไม่ใช่จะจาได้ก็ต้องได้พูดมาย้ําแล้วย้ําอีกเหมือนกับเราว่าน้มโมอย่างนั้นว่าน้มโมไปแล้วเราก็กลับมาว่าอีกหนบน้องพระพุทธเจ้าอีกนี่ก็เหมือนกันน่ะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็ในลักษณะอย่างนั้นคือพวกเราจะต้องกล่าวย้ำให้เข้าใจหรือให้ท่องแท้อย่างที่องค์หลวงตาท่านเคยแนะนำบอกกล่าวกับพวกเราท่านทั้งหลายว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยอย่าไปพิจารณาเพียงครั้งเดียวให้คลาดแล้วคลาดอีกเหมือนกับเราคลาดตาเออ มูลไถ่แตกละเอียดจึงจะรู้ได้เพราะนั้นการพิจารณาหรือการเรียนรู้ของพระธรรมคำสอนก็ให้ศึกษาในรายละเอียดอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาอันนี้คือหลักใหญ่ถ้า แปลให้ตรงตัวเขาว่าศิลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลแะสมาธิตั้งใจมั่นดูใจให้ตั้งใจมั่นชื่อว่าสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารอันนี้คือความแปลและความหมายที่แปลใน เป็นออกมาสินสมาธิปัญญานั่นคืออะไรถ้าเราย่นย่อสินรักษากายวายใให้เรียบร้อยชื่อว่าสินสมาธิคือตั้งใจมั่นไม่ให้จิตใจบกแวะออลวนเลโลกเละให้จิตใจมั่นงคงือชื่อว่าสมาธิปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขาร ให้ ก, กลั่นกรองด้วยปัญญาอันนี้คือหลักธรรมแต่นี่ขยายผ ล, ลนะท่านศีลก็อย่างที่พวกเราได้รับรู้รับทราบอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังส่วนสมาธิก็พยายามทำจิตใจให้มันคงจตเราจะยึดกรรมฐานไหนมาให้ใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือสมาธิก ร, รมฐานไหนก็ได้พูดให้ฟังว่า กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นของสมาธิส่วนปัญญานี้กว้างขวางพิจารณาปัญญาเราพิจารณาใ น, นาแนวไหนแนวโรปแนวเวทนาแนวสัญญาแนวสังขารแนววิญญาณมันมีหลายแนวเนะเมื่อพิจารณาถึงด้านปัญญาแล้ว มีหลายแนวแนวรูปก็เห็นพิจารณาให้ร่างกายเป็นสุภาพฏิกูลอันนี้ก็คือพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในแนวรูปแนวเวทนาเวทนาทางใจเวทนาทางกายเราก็พิจารณาให้รู้เห็นคือเวทนาทางกายและทางทางกายและทางใจ ถ้าว่าทางกายคืออะไรทางกายกันเนี่ยเรานั่งเข้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเน็บปวดเมื่อยร้อนหิวกระหายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้กายส่วนใจนั่นคืออะไรสิ่งที่มากระทบทางใจเราเป็นทุกทุกใจที่คนฆ่าตัวเองตายมันมีมากหลากหลายเพราะเหไรเพราะทุกทางใจอันนี้ก็เวทนาเหมือนกันเวทนาเวทนาทางใจ นี่แหละเวทนามันเกิดทางกายและทางใจสัญญาคือความจำได้หมายรู้สัญญาเนี่ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันบางที่ก็จำได้ดีบางที่เเสื่อมจากความจำสังขารคือความปรุงแต่งสังขารก็มีสองสังขารร่างกายส่วนหนึ่งสังขารคือแนวความคิดความปรุงความแต่งความแต่งนันส่วนหนึ่งวิญญาณคือความรับรู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ อันนี้ก็คือเรื่องปัญญารู้แล้วก็รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นอันนี้จางทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาทางนามธรรมทางด้านจิตใจหรือนามธรรมแต่รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือแนวความคิดที่มองไม่เห็นแต่มีความรู้สึกอยู่ น, ะนี่แหละทา่านพิจารณาทางด้านปัญญาล่ะมีมากหลากหลาย ที่เราจะพยยนานาิจารณาใจของเราไปติดไปข้องเรื่องอะไรในโรคหรือในเวทนาหรือในสัญญาหรือในสังขารหรือเรื่องวิญญาณนี่แหละอันนี้ก็ต้องพยายามตามคิดคน้น ใ, ใช้ปัญญาสรุปแล้วก็คือให้หม้วนลงที่เดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเนี่ยสรุปแล้วก็คื อ, เ, อเมื่อเราพยายนานาิจารณาทีท้วนแล้ว อันไหนก็ไม่เที่ยงอันไหนก็เป็นทุกข์มันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แหละเป็นอนัตตานี่แหละหลักธรรมคาสอนของต่อพระพเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนําสั่งสอนก็ลงในลักษณะอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ศีลคือรักษากายวายจาสมาธิคือความตั้งใจมั่นจะหนีออกจากกันไม่ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ถ้าโรกนไม่มีศีลทำพิทุศีลพระไม่มีศีลญาติโยมไม่มีศีลจะมีสมาธิได้อย่างไรในเมื่อคนมีไม่มีสมาธิจะพิจารณาปัญญาให้เกิดปัญญาได้อย่างไรมันต้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่เปรียบเทีย บ, เ, ยบเหมือนกับเปลือกกับพีแก่นมันจะเกิดเป็นแก่นได้ก็ต้องอาศัยกับพีต้องอาศัยเปลือกมันต้อง เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านจึงให้มีสํารวมรักษากายวาจามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษานะการศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติและศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของพวกเรา แต่ถ้าจะว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีอุปนิสัยฟังมันก็ไม่เข้าใจแลนไม่อยากจะฟังอีกต่างหากเพราะมันมอีอุปนิสัยติดพบติดชาติมันติดพบติดชาติมาในทางที่ไม่ดีเสมากกว่าเพราะเราเกิดมาในโลกนี้ก่อนที่จะมาเกิดมาถึงจุดนี้ได้เรามาเกิดมาไดเป็นอะไรบ้างมากมายหลากหลายในการ เกิดของพวกเราเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าว่าตุจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมากหลากหลายแต่ละคนเนี่ยแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจเดศพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยพอบอกพระพุทองค์เจเดจประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยเป็นระยะเ ว, วลายาวนานถึง25พระพรรษาไปที่อื่นแล้วกลับมา แล้วก็ไปที่อื่นกลับมาแต่รวมกันแล้ว25พระพรรษาจำพรรษาอยู่วัดป่าเชศตะวันมหาวิหารแต่นีนเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่นศรัทธาญาติโยมทั้งกษัตริย์ทั้งเศรษฐีทั้งก้าหาบดีต่างๆในกรุงสวัสถิก็เข้ามาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ดูๆแล้วพระองค์เมื่อเข้ามา กลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มไหนก็ตามพระพุทธองค์ท่านไม่ได้เลือกกว่ากลุ่มนี้มีหน้ามีตามามียศถาบรรดาศัก์มาพระพุทธองค์จะเทศแสดงธรรมแบบนี้แบบนั้นพระพองค์ไม่ได้ไม่ได้ตรัสไม่ได้นึกอย่างนั้นแต่เป็นผู้ใดมาก็ตามพระพุทธองค์จะแสดงธรรมเหมือนกับ น, านา้ําอมตะธรรมไหลาอาบ ฉโลมจิตใจของพุทธรบริษัททุกคนไม่ได้ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนมั่งมีสีสุขพระองค์จะมองดูว่าเข้ามาในชุดนี้กลุ่มนี้ใครบ้างจะได้มักจะได้ผลจะได้เข้าใจในหลักธรรมคําสอนของเราตถาคตที่จะแสดงธรรมไปนีนะ้อันนี้พระองค์ก็ต้องมองดูแต่คราวนั้นมีอุบาสก เข้ามาฟังธรรมห้าคนเข้ามาห้าคนพระอนุนเป็นผู้ถวายงานพัดแล้วเข้าอยู่ใกล้พร ะ, พระองค์ที่ดูแลอุปถรัรมภะถาคคือนั่งนั่งดูแลความต้องการเนื่าจะดูพระพุทธองค์อย่างไรเพื่ออยู่ใกล้ชิดดูดูพระองค์แต่อุบาสกทั้งห้าคนมาฟังธรรมเทศนา ในตอนบ่ายวันนั้นพอนั่งอคนหนึ่งก็นั่งหลับออคนหนึ่งก็เอามือเขียนแผ่นดินเขียนเพียนเขียนแผ่นดินคนหนึ่งก็ไปขย่าต้นไม้อขย่าต้นไม้มองดูต้นไม้แต่คนหนึ่งนั่งเมาล อ, อยอยู่มองทอท้องฟ้า นั่งมองอยู่ท้องฟ้าจะไม่รู้มองอะไรแต่คนหนึ่งนั่งหลับตานิ่งฟังนะอันนี้คือคือพระองค์ก็เห็นว่าคนคนหนึ่งนะอย่างคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังแต่สี่คนไม่ต้องว่าดมันไปคนอธิตตาทางแล้วเอถึงอย่างไรมันก็ไม่เข้าใจล่ะพวกสี่คนเพราะมันไม่ได้ใส่ใจแต่พต ร, ระองค์ก็พยายามเทศเสแสดงธรรมะ ให้แก่คนคนคนี้ที่คนเดียวนั่ะที่นั่งฟังตน อ, อนนี้พระอนุนอยู่นั่งอยู่ข้างๆเป็นผู้ถวายงานพัดพระ อ, อ น, นุก็กราบทูลพระพุทธเจา้าเมื่อแสดงธรรมจบแล้วพระ อ, อ น, นุนบอกกราบทูลพุทธเจ้าพระพุทธเ จ, าธจา้าค่ะาน่ในอุบาสกทั้งห้าคนในทําไมอ่กับกิริยาไม่เหมือนกันพระเจา้าข่าเลยเออมองๆดูแล้วเ อ, อคนหนึ่งก็ทําอย่างหนึ่งคนหนึ่งทําอย่างหนึ่ง คนหนึ่งก็นั่งหลับคนหนึ่งก็ซับนั่งหลับซับประงกอยู่คนหนึ่งก็ขย่หยาต้นไม้คนหนึ่งก็มองขึ้นบนฟ้าคนหนึ่งก็กรีดแผ่นดินแต่คนเดียวตอนนั้นเองที่นั่งนั่งฟังด้วยอด้วยดีแล้วจะทําไงพบพบระดวงจะเอาธรรมะแทรกเข้าไปในกระดูกเขาเขาเลยได้ไหมทั้งที่เขาไม่ตั้งใจฟังอย่างนั้น พระอนุนบอกพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนอ น, นุ์ธรรมะของเราเนะี่ยไม่ใช่ของฟังได้ง่ายไม่ใช่ว่าพูดเขาไปแล้วจะเข้าใจทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นถ้าผู้ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีอุปนิสัยเก่าก่อนเก่าแก่จะไม่เข้าใจในธรรมของเราเพราะนั้นถึงอุบาสุกเหล่านะที่นั่งฟังมีบาสุกคนเดียวนะี่ที่เข้าใจนอกนั้นก่อนไม่ได้ผล เพราะเหตุใรเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะเหตุใดพระเจ้าข่ามันเป็นอุปนิสัยเก่าของเขาแต่เนี่ยอย่างอุบาสกทิ่นนั่งหลับหน่ยเขาเคยเป็นพญานาคและ เ, เคยเป็นงูมาก่อนตึงห้าร้อยชาติพอในเวลาเขาเขายังไม่อิ่มในการนอนเวลาเขาขนดตัวเข้ามาแล้วขดตัวเข้ามาแล้วเอา หัวพลาดตัวเองแล้วกิหลับอยู่ตลอดอันนี้คือเป็นนิสัยพระพระธองค์ท่านพระอานนุ์กราบทูลถามว่าเขาเกิดมาติดพบติดชาติอย่างนี้นเลอไหมเรียกว่าเป็นในระหว่างเกิดมาเป็นคนบ้างเป็นงูบ้างเป็นแล้วเกิดสลับกันพระองค์บอกว่าอันนั้นก็มีอยู่ที่มาเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นงู แล้วก็เกิดเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นงูสลับกันไปสลับกันมาแต่ที่ต่อเนื่องกันถึงห้าร้อยชาติก็มีที่อุบาสกเขาเกิดมาเนยเพราะเขาตอนนั้นเขาจึงปนจึงมีอุปนิสัยพอนั่งที่ไหนเขาก็หลับเขายังไม่อิ่มในการหลับของเขานี่ยนะเป็นอุปนิสัยอ่าแล้วก็ที่คนที่ขยาต้นไม้เนี่ยคนที้เขาเป็นนิสัยลิง เล็งมาก่อนเขาเกิดมาถึงห้าร้อยชาติเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในระหว่างมีไหมเขาก็เกิดเป็นอย่างอื่นก็มีแต่บางช่วงเขาเกิดมาถึงห้าร้อชาติติดต่อกันจงเป็นอุปนิสัยจงเป็นนิสัยของเล็งติดอยู่ในสั้นดานของเขาแต่พวกหนึ่งที่เกิดมาขึ้นมาแล้วกี่ตินอันนี้คือเป็นพวกไส้เดือนไส้เดือนมาเกิดแต่ติดพบติดชาติมาตั้งแต่ดึกตําบันของเขา น่แนะเขากีดดินเขาเขียนดินแต่คนหนึ่งมองขึ้นท้องฟ้าตอนนั้นเขาเป็นหมอดูดวงดูดาวดูเลิกดูยามเลือกงามยามดีเป็นอุปนิสัยของเขาอันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนกันคือไม่ได้ฟังในเรื่องที่เราแสดงให้ฟังแต่พรามที่นั่งหลับตาฟังเน่งอันนี้เขาเคยเป็น พรามมาก่อนในอดีตชาติเขาเคยเป็นอาจารย์สนอนอพิชชาความรู้ให้กับผู้คนทั้งหลายเอาจากนั้นมานี่ยเขาคนเนี่ ย, ยพอได้ยินได้ฟังอันไหนเขาก็จะเปรียบเทียบกับความรู้ของเขาว่าที่พระพุทธองค์พูดเนี่ยตรัสไปนี้เนี่ย เ, เป็นอัดเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมออันนี้เขาเปรียบเทียบของเขาอันนี้แหละคนนี้แหละเข้าใจเออ เมื่อเราแสดงธรรมจบกลงไปแล้วนะคนนี้ล่ะที่เขาได้สำเร็จพระ ส, สูดาบันมีคนเดียวนอกนั้น เ, เปล่าประโยชน์แต่ถึงยังไงก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้มาพบมาเจอใช่เลยพระอานุ์ก็กราบทูลถามว่าทำไมเขาเหล่านั้นจึงจึงไม่เข้าใจพระองค์บอกว่าดูก่อนอา น, นุ์ผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะ ที่จะเข้าใจธรรมะนั่นนะมันไม่ใช่ของไายง่ายๆเพราะว่าอุปนิสัยของสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายในโลกเนี่ยเขายังมัวเมาในเรื่องกิเลสราคะาบาั้งโทสะบั้งโมหะบ้างาทั้งตัณหาด้วยกับคู่คนเหล่านั้นกับดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่ละคนแต่ละพบแต่ละชาติของเขาเขามัวเมา ในการร้องรำทำเพลงสนุกสานานมันมีมากต่อมากเพราะฉะนั้นที่จะไยใส่ใจในธรรมะเนี่ยเออจะหาทางพ้นทุกข์ให้กับตนเองเนี่ยตั้งใจฟังธรรมะมันไม่ใช่ของง่ายมันเป็นอุปนิสัยเก่าเก่าแก่เป็นนิสัยอุปนิสัยไยในการศึกษาไยในการเรียนรู้ไยในการประพฤติปฏิบัติมันจึงจะเข้าใจได้ในธรรมะของเราตถาคตเนีย นี่แหะอันนี้ก็คือให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าคนเราทําไมไม่เหมือนกันพอเข้ามาแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูนะอถ้ามาฟังเทศของหลวงพ่อนี่ยกระดุกกระดิกหยิบนั้นหยิบนี่แสดงว่าคงมีอุปนิสัยลิงแต่ก่อนเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้พวกเราให้สังเกตเพราะนั่พนพวกเราให้ฟังเอาไว้ว่ามีคนอยู่ห้าคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ให้กับพวกเราได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อกันศึกษาว่าอุปนิสัยของสัรพษษ์สัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยมันแปลกแตกต่างกันมัน ม, มีอุปนิสัยแตกต่างกันแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดมาแล้วได้ตรัสมาแล้วพูดตรัดไว้แล้วในพระไตรปิฎกเพราะนั้นมาถึงยุคของเรายุคจุดท้ายปลายแถวก็ว่าได้เพราะนั้นพวกเรา ไม่ต้องเสียใจเออแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดต่อหน้าพระพุทธเจ้าเขายังแสดงอากับกิริยาอย่างนั้นเออเพราะนั้นมาต่อหน้าหลวงพ่ออินเนี่ยจะให้คนอยู่ในความสงบเงียบตั้งอกตั้งใจฟังศึกษาธรรมเออด้วยความตั้งใจจริงๆอ่อย่างนั้นเหรอก็อไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ถึงยังไงก็ตามเมื่อรู้แล้วว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราต้องฝืนฮะตั้งเจิตอธิษฐานในใจเลยเอาเถอะข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อศีลต่อธรรมของพระพุทธเจ้าต่อคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดี ข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดตรงต่างใจอย่างนั้นนั่นแหะคำว่าดีที่สุดจะเนี่ยคิดดีทําดีพูดดีนี่แหละสิ่งเหล่านี้แ่ะจะเข้าสู่จิตชู้เข้าสู่ใจของเราจะเป็นอุปมาอุปนิสัยติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะสกัดทิ้งทั้งหมดข้าพเจ้าแต่จะเอาแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของข้าพเจ้านี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราก็จะเดินสู่มักสู่ผลเข้าสู่มักผลนิพพานถ้าว่าไปพ้นทุกในชาตินี้ก็เป็นอุ ป, อปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็เดินทางสู่จุดหมายปลายทางสิ่งไหนที่มัน ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีที่เป็นหายนะข้าพรเจ้าขอให้เห็นโทษในเรื่องนั้นๆแล้วก็ให้เห็นคุณในคุณงามความดีตลอดไปจนถึงมรรคผลนิพพานกเกิดมาพบไรชาิใดก็ให้มุ่งหวังเดินดุ่มไปสู่มรรคผลนิพพานทุกพจนทุกพ บ, ท, ก ท, กพบทุกชาติด้วยเถิดตั้งความปรารถนาในใจอย่างนั้นนะ สรุปแล้วก็คือให้ความมีความมุ่งมั่นมนความตั้งใจตอคุณงามความดีพอพวกเราได้เกิดพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะตั้งเข็มทิศให้ชี้ไปทางทิศ ต, ตะวันออกหรือไปชี้ไปทางทิศเหนือเท่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าให้มันเคว้งคว้างไปทางอื่นนะด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจของพวกเรา ในเมื่อความตั้งใจมีความมุ่งมั่นด้วยสัตว์จะความจริงจังและจริงใจคงจะเป็นอุปนิสัยอย่างที่เราได้ยินในพระไตรปิฎกอย่างอุบาสกห้าคนอย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนนี้ไปก็ฟังธรรมเทศนาอีกสักกันหนึ่งนะเอานั่งสมาธิทีนี้